หรวงพ่อไม่ได้ให้สอนให้พวกเราเซ่อเซ่อไม่ได้นะอย่างหมูป่าสมัยก่อนก็เหมือนกันเวลามาละยื่นอาหารให้หมูปา่าโยนอาหารให้หมูปา่าเพื่อให้หมูป่าเข้ามาใกล้หอที่สุดวันไหนอาหารหมูป่าไม่มีอาหารเนี่อมันจะกัดคนนะเห็นคนมาเนี่ยมันมีอะไรจะให้มันกินเนี่ยมันก็จะกัดคน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 แต่พอไปอยู่ได้เดือนแรกจำมันสาไฟไหม้ศาลาพอไม้ศาลาแล้วก็คาบองก็ได้อยู่ที่ศาลาไม่ได้รับความผาสุกเพราะทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งเหลือบทั้งยุงทั้งมแมลงคาบองก็อยู่จนออกพรรษาก็เลยไม่ได้ภาวนา ไม่ได้บําเพ็ญทางจิตภาวนาเต็มที่เพราะว่าอยู่ด้วยความลําบากพระพุทธองค์ทั้งที่ท่านจะยกย่องนะท่านตำหนินะทนี้ทําไมเธอจึงอยู่อย่างนั้นทําไมเธอไม่สอบแสองหาที่ผาสุขที่มาดีกว่าทําไมเธอจึงไม่ออกไปจากที่นั่นเธอจะอยู่ทําไมถ้ามันไม่ผาสุขน่ขนาดสัตว์ที่ไร้ฉาน เขาเขายังสะสะแสวงหาความพาสุกเธอเป็นมนุษย์แท้ๆเป็นพระด้วยทําไมจึงอยู่อย่างนั้นอพระองค์ไม่ใช่ว่าจะยกย่องนะเออขันติขันติอย่างนั้นน่ะอขันติแบบโง่เพราะพระองค์ไม่ไม่ชนะเสรนนะเอท่าน ใ, ใช้ปัญญาพระองค์บอกว่ า, วาขนาดสัตว์ที่ไรฉ า, านเขายังเห็นภัยในที่จะเกิดกับตนเองกับหมู่คณะ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 เออมนเหลือบมรยงก็อยู่ในนั่นอันนั้นมันลำบากเกินไปที่พระองค์นั้นปฏิบัติจนไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะอยู่ด้วยความลำบาก <c oughs> <ๆ>เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทาคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบไปอยู่ใ น, นสถานที่ใดดูการสถานที่บุคคลเออแล้วจากนั้นก่อนเนี่ยดูใจของตนเองเนั่นหละเป็นหลักทีนี่อุตุกระพอสมควร อาหารก็พอสมควรคำว่าอาหารอาหารดีนะั่คืออาหารอย่างไรไม่ใช่ว่าอาหารดีทุกวันพอทานเข้าไปแล้วก็นอนสลบสไลด์ตัวอ้วนขึ้นเรื่อยๆเอ่ห์ตัวอ้วนร่างกายอ้วนไม่ใช่อ้วนอย่างอื่นนะเอ่กิเลสตัณหามันอ้วนขึ้นไปด้วยเอ่อย่าไปส่งเสริมเกินไปส่งเสริมร่างกายส่งเสริมร่างกายร่างกายอ้วนขึ้นมาแล้วนะกิเลสกรมลาคะมันก็อ้วนขึ้นไปด้วยเอ่ห